อันนี้เป็นวันเสาร์ที่26สกรกฎาคมพุทธศักราช 2,568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลได้มีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการสร้างบุญสร้างกุศลณสถานที่แห่งนี้ก็จะมีแบ่งเป็นสองตอนด้วยกัน คือตอนแรกก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลจากการฟังเทศฟังธรรม30นาทีด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอีก30นาทีก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสมถะภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิ อันนี้ก็แจ้งเพื่อให้ท่านที่ไม่เคยมาจะได้ทราบว่าจะมีการแสดงธรรมสามสิบนาทีแล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมอีกสามสิบนาทีธรรมที่จะมาแสดงในวันนี้ก็เรื่องการทำบุญต่างๆนี่เองบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราได้ทำกัน อย่างสม่ำเสมอตามโอกาสตามเหตุการณ์ตามความเหมาะสมตามความสามารถบุญนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจมีความสุขอาจะเป็นที่พึ่งของดวงวิญญาณหรือจิตใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตอนนี้เรามีร่างกาย เราสามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขชนิดต่างๆได้แต่พอร่างกายของเราตายไปแล้วนี้เราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้แล้วสิ่งที่เราจะพึ่งให้ความสุขกับเราได้ก็คือบุญบุญชนิดต่างๆที่เราได้ทำไว้ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พ่อบุญที่เราทำนี้ไม่สูญหายไปจะฝังอยู่ในใจของเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในดินแล้วเราวันคืนต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาออกดอกออกผลให้กับผู้ที่ปลูกต้นไม้นั้น อัในใดบุญที่เราทำกันในวันนี้ก็เป็นเหมือนการพ่อปลูกที่พึ่งของใจพ่อปลูกทราบภายในที่ใจจะได้ใช้เวลาที่ไม่มีร่างกายใจต้องอาศัยบุญเป็นปัจจัยที่จะ ทำให้ใจนั้นมีความสุขไม่มีความทุกข์ hmm. บุญในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน hmm. มีชื่อว่า hmm. บุญกิริยาวัตถุสิทธิประการ hmm. ที่ทําแล้วจะทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแก่ผู้ที่กระทํา ผู้กระทนี้ก็สามารถเลือกทำบุญชนิดต่างๆได้ตามความเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละคนที่จะพึงกระทากันได้บุญข้อที่หนึ่งที่เป็นบุญที่ง่ายสำหรับคนทั่วไปที่จะทำกันก็คือทาน ทานแปลว่าการให้การทำทานนี้เป็นเหตุเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลคือบุญความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาบุญนี้ก็จะฝังอยู่ในใจเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกไว้ในดินแล้วเวลามันก็จะทำให้ต้นไม้นั้นค่อยเจริญงองกงามขึ้นมา บุญที่เราทำกันในวันนี้มันจะไม่สูญหายไปมันจะฝังอยู่ในใจเราเป็นเหมือนเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารจะมีดอกเบี้ยทบกับต้นของบุญที่เราได้ทำเอาไว้พอเวลาที่เราร่างกายตายไปเราก็จะได้เบิกเงินหรือบุญนี้ขึ้นมา บุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินทิพที่เราจะใช้ในโลกทิพต่อไปเพราะใจของพวกเราหรือดวงวิญญาณนี้เป็นกายทิพเป็นผู้ที่อยู่ในโลกทิพและการจะอยู่ในโลกทิพได้อย่างสุขอย่างสบายก็ต้องมีเงินทิพเอาไว้ใช้สอยบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศ เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเอาเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปอยู่นั้นเอาติดตัวไปเราไม่สามารถเอาเงินสกุลของบ้านเรานี้ไปใช้กับบ้านต่างประเทศได้ถ้าเราจะไปญี่ปุ่นเราก็ต้องเตรียมเงินเยนไว้ติดตัวไปเมื่อเราไปถึงเราก็จะใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าเอาเงินบาทไปก็อาจจะต้องไปหาที่แรกเปลี่ยนซึ่งก็จะเป็นการยากลำบากในทางโลกทิพนี้ไม่มีที่แรกเปลี่ยนเงินทิพต้องเอาติดตัวไปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่สามารถเอาเงินบาทของเราไปกับเราได้เวลาที่เราตายไปแต่เราสามารถเอาเงินทิพนี้ไปกับเราได้ ดงนั้นการทําบุญนี้ก็เป็นเหมือนการเอาไปเอาเงินไปแลกเงินสกุลหนึ่งไปแลกอีกเงินสกุลหนึ่งเอาเงินบาทที่เรามีอยู่นี้ไปแลกให้เป็นเงินทิปแล้วก็ฝากไว้ในธนาคารทิปแล้วเราก็จะมีบัตรเครดิตทิปติดตัวไปกับเราพอเราตั้งกายตายไปเราใช้เงินบาทไม่ได้เอาเงินบาทติดตัวไปกับเราไม่ได้ เราก็อาศัยเงินทิพย์ที่เราได้ทําไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยูอ่การทําบุญแต่ละชนิดนี้ก็จะทําทให้เกิดเงินทิพย์ขึ้นมาเก็บไว้ในใจของเราเก็บไว้ในธนาคารบุญของเราพอร่างกายเราตายไปเราไม่สามารถอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือการหาความสุขให้กับเราได้เราก็จะได้ใช้เงินทิพย์แทนต่อไป บุญชนิดที่หนึ่งการทําบุญชนิดที่หนึ่งไม่ว่าทานทานแปลว่าการให้ให้ใครก็เป็นการให้เหมือนกันให้กับพระก็เป็นการให้ให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระก็เป็นการให้แล้วผลที่เกิดก็เป็นผลที่เกิดก็คือบุญก็เป็นผลอันเดียวกันเป็นบุญอันเดียวกันให้ทานกับพระก็ได้บุญ ให้ทานกับคราวาสญาติโยมผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระก็ได้บุญเหมือนกันแต่ทางความเข้าใจของชาวพุทธเรามักจะแยกออกไปว่าการให้กับพระนี้เป็นการได้บุญการให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระนี้เป็นการได้ทานความจริงมันได้บุญเหมือนกันผลผลก็คือ บุญเหตุก็คือทานทานก็คือการให้บุญก็คือผลที่เกิดจากการให้ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามและผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระก็ให้ได้เป็นค า, า, ารวะญาณโยมก็ให้ได้ ใ, ให้แล้วก็เกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาในใจของผู้ให้ เป็นเงินทิปที่จะติดตัวไปกับผู้ให้ต่อไปออการให้นี้เป็นสิ่งที่สะดวกง่ายๆสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับบุคคลที่มีสิ่งที่จะให้ได้โดยที่ตอนเองไม่เดือดร้อนเช่นมีทรัพย์สินมีมากกว่าที่เราจะใช้ทรัพย์สินที่เราจาเป็นจะต้องใช้ก็คือ ทรัพย์สินที่ใช้กับปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่ว่าสัยยารักษาโรคถ้าเรามีทรัพย์สินหรือมีเงินมากกว่าที่เราจะเป็นจะต้องเอามาใช้กับปัจจัยสี่ที่เราเก็บไว้เฉยๆไม่ได้เอาไปทำอะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ ถ้าอยากจะเอาเงินส่วนเกินนี้ไปกับเราเราก็เอามาแลกเป็นสกุลเงินทิพย์ไปแทนด้วยการทำบุญต่างๆการให้นี้มีสิ่งที่ให้ได้หลายอย่างด้วยกันสิ่งแรกเราเรียกว่าวัตถุทานให้ด้วยข้าวของเงินทองเช่นเรามีเงินเหลือใช้เหลือกิน ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเราก็เอาเงินนี้ไปเปลี่ยนสกุลเป็นเงินทิพย์ไปแทนเป็นบุญขึ้นมาด้วยการให้ให้ใครก็ได้เหมือนกันเงินร้อยบาทนี้ให้กับพระก็ได้บุญเท่ากับเท่ากับเงินร้อยบาทนี้ให้กับคนที่ไม่ใช่พระไม่ใช่เป็นพระหรือแม้แต่ให้กับเดลฉ า, านก็ได้บุญเหมือนกัน เช่นซื้อข้าวให้สุนัข ก, กินร้อยบาทหรือซื้ออาหารใส่บาตรให้กับพระร้อยบาทเงินร้อยบาทนี้ก็จะให้บุญเท่ากันให้บุญกับพระก็ได้รอยได้บุญเหมือนกันถ้าต่างกันก็ต้องที่ผลที่เราจะได้รับจากพระหรือจากสุนัขนี้ต่างกันถ้าเราทำบุญกับพระเราก็จะมีพระมาสอนธรรมะให้กับเรา เราก็จะได้มีเราก็จะได้รับธรรมะจากพระไปอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์ที่เราจะฝึงได้รับกลับมานองเหนือจากบุญที่เราทำไปด้วยทำทาบุญแล้วได้บุญสองสองต่อคือหนึ่งได้ความสุขใจอิ่มใจที่เป็นบุญเป็นเงินทิพย์แล้วก็ได้ธรรมะคำสั่งคำสอนจากพระอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการ ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้บุญสองต่อถ้าเราทำบุญกับพระแต่ถ้าเราทำบุญกับสุนัขนี่เราก็ได้เงินเราก็ได้เงินทิพย์ร้อยบาทที่เกิดจากการที่เราทำบุญเลี้ยงสุนัขซื้ออาหารมาให้สุนัข ก, กินและสิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนจากสุนัข ก, ก็คือสุนัข ก, ก็อาจจะเฝ้าบ้านให้เราเวลาเราไม่อยู่ก็จะคอยเฝ้าบ้านให้กับเรา หรือในยามวิการในค่ำคืนเวลามีใครแปลกหน้าจะเข้าบุกรุกเข้ามาในบ้านสุนัขเขาจะเป็นยามให้กับเราได้เขาก็จะเห่าจะหอนจะให้สัญญาณเตือนเราว่ามีใครเข้ามาแล้วผลอันนี้ต่างกันต่างจากผู้รับแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันถ้าเราทำบุญกับหมอทาบุญกับโรงพยาบาลเราก็จะได้มีหมอมาคอยรักษาพยาบาล โรคภัยไข้เจ็บให้กับเราผลเหล่านี้ต่างกันต่างแล้วแต่บุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนั้นจะมีอะไรให้กับเราตอบแทนกับเราถ้าไปทำบุญกับโรงเรียนเราก็จะได้มีครูอาจารย์มาสั่งมาสอนลูกเต้าของเราเป็นต้นผลอันนี้ต่างกันอันผลอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นบุญ เราเรียกว่าผลตอบแทนเป็นประโยชน์เป็นอ น, นิสงส์แต่ผลที่เป็นบุญนี้เท่ากันหมดคือความอิ่มใจสุขใจที่จะเป็นเงินทิปที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในโลกทิพนี้ได้เหมือนกันหมดเงินร้อยบาทนี้ทำบุญกับพระก็ได้เงินทิปร้อยบาททำบุญกับหมอก็ได้เงินเงินทิปร้อยบาททำบุญกับโรงเรียนก็ได้ร้อยบาท เงินทิปเหมือนกันทำบุญกับสุนัขก็ได้เงินทิปร้อยบาทเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่สิ่งที่บุคคลที่เราทำนี้เขาจะมีอะไรให้กับเราหรือให้กับสังคมทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับหมอเขาจะมีหมอมาคอยรักษาพยาบาลให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทำบุญกับโรงเรียนก็จะได้มีสถานที่โรงเรียนให้คนให้เด็กมีที่ศึกษาหาความรู้ ทำบุญกับวัดก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้ามาเผยแผ่ธรรมะคาสั่งคาสอนให้กับให้กับผู้ที่สนใจ <Yeah. S 1> นี่คือการให้ถ้าผลบุญนี้เท่ากันไม่ว่าจะให้กับใครถ้าเป็นเงินทิพย์นี้ได้เงินทิพย์ร้อยบาทเท่ากันเอาเวลาตายไปเอาเงินทิพย์ร้ยบาทนี้ไปกับเราได้ไม่ว่าเราจะทำกับใครก็ได้ ทำบุญกับพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ก็มีพระคุณกับเราทำแล้วเราก็จะได้เงินทิพเหมือนกันนี่คือทานการให้ให้ในสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนไม่ลำบากให้เวลาเราไม่เดือดร้อนไม่ลำบากคือเป็นของที่เหลือเหลือกินเหลือใช้แต่เป็นของที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นของที่เสียแล้ว เช่นให้ขยะไปนี่ไม่ไม่เป็นบุญเรกเอเอาเอาขยะไปให้คนนั้นคนนี้มันไม่เป็นบุญเพราะมันไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้รับของที่เราจะให้ต้องเป็นของที่เกิดประโยชน์กับผู้รับเวลาผู้รับได้รับแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาเราให้ใครของใครแล้วเห็นเขามีความสุขใจความสุขใจนั้นก็จะเกิดขึ้นมาที่ใจเราด้วย ความสุขใจนี้แหละคือบุญ yeah. Yeah. ทำทาน uh huh. การให้นี้นอกจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถให้แทนได้ถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง uh huh. เช่นถ้าเราเป็นครูอาจารย์ uh huh. มีเงินเดือนน้อย <Yeah. S 2> ไม่มีเงินที่จะทำบุญทาทานได้ <Yeah. S 2> เหมือนกับคนที่ทำมาหากินค้าขาย เป็นครูเป็น อ, mm. อาจารย์ก็สามารถ mm. ให้วิชาความารู้ได้เช่นสอนพิเศษให้กับเด็กที่อยากจะเรียนพิเศษตอนโรงเรียนเลิกแล้วก็อาจจะสละเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเปิดสอนวิชาพิเศษให้กับเด็กที่อยากจะมาเรียนพิเศษโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนอันน mm ี้ก็ได้บุญเหมือนกันบุญนี้ ทานแบบนี้เราเรียกว่าวิทยาทานคือให้ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เรามีความวิชาความรู้อะไรเราก็สอนผู้ที่เขาอยากจะเรียนรู้จากเราไปเราก็จะได้บุญเหมือนกับการให้ข้าวของเงินทองถ้าเปรียบเทียบราคาการสอนวิชาความรู้ถ้ามีคุณค่าหนึ่งร้อยบาท ก็ได้ก็ได้กับเท่ากับทำบุญบริจาคเงินไปหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้คือ <c oughs> การให้ชนิดที่สองที่เราสามารถให้กันได้ก็คือการให้วิชาวิทยาทานให้วิชาความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่แล้วมีผู้สนใจอยากจะเรียนรู้จากเราเราก็สามารถสอนเขาได้โดยที่ไม่คิดสงเงินไม่คิดเงินทองไม่คิด ไม่เรียกค่าตอบแทนแต่อย่างใด<ม>นี่คือการให้เป็นทานชนิดที่สองเรียกว่าวเรียกว่าวิทยาทานท<ม>านชนิดที่สามเราที่เราสามารถให้ได้ก็คือการให้อภัยเรียกว่าอภัยทานเช่น<ม><ม>ในหลวงบางปีท่านก็จะมีการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ที่ต้องต้องโทษในคุกในตาราง<ม>ติดคุกติดตาราง คนก็ถูกโทษประหารชีวิตก็ลดหย่อนลงมาจากประหารชีวิตให้เป็นประหารชีวิตให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตผู้ที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตก็ จ, จะถูกลดให้เหลือยี่สิบปีผู้ที่เหลือสิบปีก็ จ, จะให้เหลือปีเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการยกโทษให้อภัยทานกันเราก็สามารถให้อภัยกับคนนั้นคนนี้ได้ ถ้าเราเกิดความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทอยากจะล่างแค้นเขาอยากจะให้เขาเจ็บเหมือนกับที่เราเจ็บที่เขาทําให้เราเจ็บ <c oughs> แต่เราเปลี่ยนใจ <c oughs> เราเห็นว่าการล่างแค้นนี้เป็นการจองเวรจองกรรมกันเป็นสร้างการเป็นาการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างเจ้ากรรมนเวรให้มาตามล่าล้างเราในภายหลังเราไม่อยากจะมีกรรมมีเวรกับใคร เราก็ให้อาภัยกับบุคคล น, นั้นไปไม่ว่าเขาจะทําทอะไรที่ทําให้เราเสียหาย mm. เราไม่ต้องการที่จะเลือกคืนความเสียหายบางทีขอาจะทําทรัพย์สินของเราให้เสียหายขึ้นมา mm. เราก็ไม่ไปเรียกร้องค่าตอบค่าทรัพย์สินที่เขาทาให้เสียหายนี้ชดใช้เราไปยกให้เขาไปอย่างนี้เรียกว่าอาภายอยัยทาน mm. ถ้าเราให้อาภัยได้ใจเราก็จะสงบ ใจเราก็จะเย็นขึ้นมาใจเราก็จะมีความสุขถ้าเราอาฆาตพยาบาทใจเราก็จะร้อนจะเครียดจะทุกข์จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถให้ได้เวลาเรามีเรื่องกับใครเราก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินชนกันหลือเหยียบเท้ากันบ้างแล้วถ ด, ดแล้วไปทำให้เขาเสียหายทางใดทางหนึ่งก็เราก็ขอโทษเขาไป ทำจากคนที่ทําผิดก็ขอโทษไปคนที่ถูกทําผิดก็ให้อภัยไปถึงแม้เขาไม่ขอโทษเราก็ให้อภัยเขาได้ไม่ถือสาเขาไปถือว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องส่ววิสัยไปก็แล้วกันถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนมันได้อยู่ดีเอามาคิดเอามาเครียดเอามาเกลียดเอามาชังก็ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจของเรา อาจจะทําให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุนมัวก็อยา่าวิธีดีที่สุดก็คือการให้อภัยเรียกว่าอาภัยทานแล้วการให้ชนิดที่สี่ชนิดสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นการให้ที่เหนือกว่าการให้ทั้งปวงก็คือการให้ธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการให้ธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะทําให้ผู้ที่ได้รับธรรมะนี้สามารถนํามาไปปฏิบัติเพื่อทําให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ <Yeah. S 2> ทําให้เขาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้ <Yeah. S 2> ไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจของพวกเราที่ยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ <Yeah. S 2> ได้หลุดพ้นจากโลกการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ <Yeah. S 2> นอกจากธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น yeah. เห็นการให้ธรรมะจึงถือว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงเพราะสามารถกําจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรนะการให้อย่างอื่นนี้ก็ช่วยกําจัดความทุกข์แบบชั่วคราวนะให้เข้าของเงินทองเช่นให้เขาไปซื้ออาหารซื้อยารักษาโรค ก, ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเหนื่อยล้าจากการขาดอาหารขาดยาไปชั่วคราว ก็ยังไม่สามารถทําให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างอื่นได้ความทุกข์ที่จะเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้วิชาความรู้ก็เช่นเดียวกันให้อภัยก็เช่นเดียวกันยังไม่สามารถทําให้ผู้ที่ได้รับสิ่งเหล่านี้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าให้ธรรมะแล้วเขานํำมาไปปฏิบัติได้ เขาก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพานได้อันนี้เป็นการให้ที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดถึงแม้เราจะไม่มีธรรมะของเราเองเรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายังไม่ได้หลุดพ้นแต่เรามีหนังสือธรรมะดีๆเช่นหนังสือที่อาจจะคัดมาจากพระไตรปิฎกก็ได้เช่นพระสูตรต่างๆที่สาคัญ ที่จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาสามารถนำาัไปปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราก็พิมพ์หนังสือหล่านี้มาแจกก็ได้ถ้าเราไม่มีธรรมะของเราอยู่ในตัวของเราหรือเราอ่านหนังสือธรรมะดีๆของครูบาอาจารย์ล้วก็เห็นว่ามีคุณมีประโยชน์แล้นมีญาติโยามกลุ่มหนึ่งก็พิมพ์หนังสือชื่อว่าแดนสุ สู่แดนนิพพานอะไเนี่ยเข้าสู่แดนนิพพานเป็นหนังสือนี่หลงตามหาบัวสอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่พระนิพพานค mm. ู่อ่านอ่านแล้วก็เกิดความประทับใจ mm. เห็นคุณค่าของหนังสือก็เลยร่วมกันบริจาคเงินสร้าง mm. พิมพ์หนังสือนี้ขึ้นมาแจากเนธรรมทาน mm. อันนี้ก็เกิดเรียวกว่าการให้ธรรมทาน mm. ในบรรดาการให้ทั้งสชนิดนี้ พระบุตเจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมทานนี้เป็นการให้ที่เลิศประเสริฐที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของทานชนิดแรกที่เอามาแสดงให้ท่านได้ฟังในวันนี้โดยละเอียดเลยไม่ได้มีเวลาที่จะแสดงทำอย่างละเอียดในเรื่องของทานข้ออื่นๆก็ขอแสดงโดยสรุปข้อข้อที่สองจากการทำทาน ก็มีการ อ, าอุทิศบุญพอเราทำบุญทาทานเราก็เกิดบุญขึ้นมาเราก็สามารถเอาบุญที่เราได้ในใจเหล่านี้ส่งไปให้กับผู้ตายได้เราไม่สามารถส่งเข้าของเงินทองให้กับคนตายได้แต่เราสามารถส่งบุญที่เกิดจากการทาบุญทาทานของเราได้ถ้าเราเป็นห่วงคนที่เราลักคนที่เราเคารพเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานของเราที่ตายจากโลกนี้ไป เราอยากจะให้เขาได้บุญอยากให้เขามีบุญเพราะเขาอยู่ในโลกทิพย์เราก็สามารถอุทิศบุญที่เราทําได้จากการทําทานของเราไปได้เรียกว่าบุญอุทิศเป็นการบุญชนิดที่สองบุญชนิดที่สาก็คือร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเราอาจจะมีญาติสนิทมิตสายปีนี้เขาคิดจะทอดกรถิน่นเป็นเจ้ภาพกรถินเราก็ร่วมบุญกับเขาเอาเงินใส่ซองมอบให้กับเขาไป บอกขอร่วมบุญด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญร่วมบุญกับผู้อื่นก็ได้บุญเหมือนกันนี่คือบุญข้อที่สบุญข้อที่สี่ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นคือการเป็นจิตอาสาแล้วอาจจะไม่มีเงินมีทางไปทําบุญถวายผ้า ป, ปา่าถวายผ้ากระถิ่นแต่เรามีเวลาว่าง เราก็ไปเป็นจิตอาสาไปทำคุณทําประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างที่นี่ก็มีญาติโยมที่มาช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเเรื่องการถ่ายทอดสดมาจัดกล้องมาจัดอะไรมาจัดสถานที่จัดลาโพงอะไรต่างๆเหล่ า, า, านี้โดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรทำด้วยใจที่เป็นกุศลทำด้วยใจที่อยากจะได้บุญได้ความสุข ก็สละเวลามีค่าของตนมาทำงานเหล่านี้เรียกว่าเป็นงานรับใช้ผู้อื่นเรื่อช่วยเหลือผู้อื่น <Yeah. S 2> อันนี้ก็เป็นบุญ <Yeah. S 2> เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันที่เรามักใช้เรียกคาว่าจิตอาสาเวลาที่มีภัยอะไรต่างๆต้องการความช่วยเหลือที่ต้องมีคนหลายๆคนมาช่วยเหลือกัน <Yeah. S 2> ก็จะมีกลุ่มจิตอาสามาร่วมกันมาช่วยทางานให้เกิดความสาเร็จขึ้นมา yeah. นี่ว่าเป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นแล้วบุญต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็อยู่อย่างมีความสุขเวลาพูดปากกับใครก็จะไม่ไม่ไม่มีเรื่องมีราวกับใครเพราะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี้มักจะไม่มีปัญหากับใคร ก็จะอยู่อย่างมีความสุขนอกจากบุญเหล่านี้แล้วก็มีบุญที่อีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลละเว้นจากการกระทำบาปเช่นรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดทำแล้วก็จะทำให้ใจสงบใจมีความสุขตามด้วยบุญที่เกิดจากการภาวนา<ม>การภาวนาก็คือการซักพอกจิตใจการซักพอกจิตใจนี้จะทาให้ใจสะอาด ใจที่สะอาดนี้จะนําความสุขมาให้กับใจการซักข้าก็มีสองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าส ม, มถาภาวนาทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิก็จะก็ทำให้ใจสะอาดชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาใจก็จะเริ่มมีกิเลสเข้ามาทําให้สร้างมองได้อีกก็ต้องใช้วิปัสสนาภาวนาเพื่อกําจัดกิเลสเวลาที่กิเลสเข้ามาทําให้ใจสร้างมองด้วยปัญญา โดยการเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไตรลักษณ์ mm hmm. ก็จะสามารถทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาได้ mm hmm. อันนี้ถือว่าเป็นบุญที่สูงสุดคือการภาวนาทําให้จิตใจหลุดพ้นจากควา ม, วามทุกข์ทั้งปวงได้ mm hmm. แล้วก็ยังมีบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม mm hmm. เวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมนี้เราก็จะได้เรียนรู้วิธีทำบุญต่างๆนี่อง mm hmm. ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่รู้ว่า ทำบุญอย่างไรจะได้บุญแล้วบุญเป็นอย่างไรบออางคนก็คิดว่าทำบุญต้องทำกับพระอย่างเดียวถึงจะได้บุญ อ, อ, อันนี้เป็นความเข้าใจผิดออทำบุญกับใครก็ได้บุญอาจจะต่างกันตรงที่อ น, นิสงส์ประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้รับนี้อาจจะต่างกันไปออแล้วบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมะ พอเรามีธรรมเราบรรลุธรรมแล้วเราก็สามารถไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆสั่งสอนให้คนเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็นํามาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ระบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาบางคนโชคดีเกิดมาก็มีปัญญาติดตัวมาด้วย พ่อชาติก่อนอาจจะเคยทำบุญเคยฟังเทศฟังธรรมาเคยปฏิบัติธรรมมาแต่ยังไม่ดลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงพอกลับมาเกิดอีกก็มีสัมมาทิฏฐิเช่นเป็นพระโสดาบันมาแล้วพอมาเกิดอีกก็สามารถที่จะเอาสัมมาทิฏฐิที่ตนเองได้สร้างไว้ในอดีตชาติมาปฏิบัติธรรมต่อไปได้คนบางคนพอมาปฏิบัติธรรมไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลย อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องติดตัวมาจากชาติก่อนนั่นเองนี่ก็คือบุญชนิดต่างๆที่เราสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำจิตใจของเราให้มีความสุขทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปบุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมาดูแลสนับสนุนเรานำพาเราไปสู่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือเรื่องของบุญเอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในลำดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบเป็นสมาธิมาซักพ่อกิจใจให้ใจนิ่งสงบให้ใจสะอาดแบบชั่วคราวก่อนจะทําให้ใจเรามีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป็ามสุขที่เหนือกว่าการรักษาศีลหรือกว่าการทําบุญทําทานนี่คือสิ่งที่เราจะมากระทากันต่อไปนี้วิธีนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบนี่ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นอะไรเราต้องการให้ใจนิ่งให้สงบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี้เป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางการทําใจให้สงบได้ เราอย่าไปสนใจเวลานั่งเราต้องมีสติคอยกํากับใจผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ของการภาวนาเช่นพุโทโธพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกหรือการสวดมนต์ไปในใจหรือการเราเลิกถึงความตายก็ได้เราเลิกถึงส่วนใดเอาไว้ยว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้เช่น โคงกระดูกก็ได้หรือจะใช้อาการสาสบสองก็ได้คิดถึงอาการสาสสองเช่นผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปอ่านอันนี้แล้วแต่จริตของแต่ละคนแล้วแต่สภาพของจิตถ้าจิตฟุ้งก็ จ, จะต้องใช้การสวดมนต์ใช้การระลึกถึงอาการสาสบสองเพื่อทำให้จิตหายฟุ้งก่อนเพื่อที่จะได้มาดูลมหายใจหรือมาพูดโทต่อไปได้แต่เป้าหมาย อกรรมฐานที่เราควรจะเข้าให้ถึงให้ได้ก็คือการดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวเพราะการกระทําทั้งสองรูปแบบนี้จะสามารถนําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เป็นอปปนาสมาธิขึ้นมาจิตก็จะสงบนิ่งเป็นอุเบขาไม่มีอะไรให้เห็นมีแต่ความว่างมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบมีอุเบขาคือใจปราศจากอารมณ์ รักชังกลัวหลงนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิอย่าไปสนใจเวลามีอะไรปรากฏให้เห็นอย่าไปคิดว่าเป็นสวรรค์บ้างเป็นนรกบ้างเป็นกายที่บ้างเป็นนันนู่นเป็นนนนี่บ้างอย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจกับอาการที่ปรากฏขึ้นมาในใจมันจะทำให้เราไม่มีสติที่จะอยู่กับกรรมฐานแล้วถ้าเราไม่อยู่กับกรรมฐานเราจะไม่มีเราจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบของสมาธิได้เลย ดังนั้นอย่าไปสนใจให้ผูกใจไว้กับกรรมฐานตลอดเวลาถ้าใจไปรับรู้ก็รีบกลับมาทันทีอย่าไปสนใจอย่าไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอคิดนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยู่กับกรรมฐานแล้วเราต้องกลับมาที่กรรมฐานกลับมาที่ลมถ้าเราดูลมได้กลับมาที่พุโทโธถ้าเราใช้พุทโธได้ถ้ายัางใช้พุทโธใช้ลมไม่ได้ก็กลับมาที่สวดมนต์ก่อนก็ได้ ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดถ้าปล่อยให้ลอยไปกับความคิดแล้วนั่งนานเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบแล้วจะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาอาการรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จนกระทั่งไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้ามีกรรมฐานถูกใจไว้แล้วใจจะค่อยๆสงบลงไปตามลําดับจนกระทั่งรู้สึกเย็นสบายรู้สึกวางเฉยได้ไม่มีความคิดอยากจะออกจากสมาธิอยากจะนั่งไปนา น, น, าน อันนี้คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็ขอให้เราเริ่มทําสมาธิการนั่งแต่บัด น, นี้ไปจนกว่าจะหมดเวล า, าตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้เราสังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็สังเกตดูว่าเรานั่งแบบไหน จดจำวิธีนั่งเอาไว้พอคราวหน้าเรามานั่งเราก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยแล้วเราก็จะได้ผลตามที่เราได้อย่างวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบด้วยวิธีที่นั่งที่ถูกต้องถ้าเรานั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ควรจะไปฝึกสติสร้างสติในระหว่างวันให้มากขึ้นเหมือนจเจริญพุโทโธพุโทโธ หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราอย่าให้ใจลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทธโธหรือให้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายไปแล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบได้มากขึ้นถ้าต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริกวาหาปูราปาริกปุเรนติสักลัง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 มาเตภวัตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภพิวาธนศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้มีคําตอบให้ถ้าหลังจากเลิกแล้วจะมาขอถามนี่จะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยจะไม่ได้ตอบนั้นอยากจะถามอะไรถามตอนนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ท่านผู้ติดตามวันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่เรียนแพซานค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุฏิจากทาง Facebook พระจารย์สุชาติ241ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 297 YouTube Dr. V 40วิทยุออนไลน์10 Clubhouse 2นากุฏิ138รวมทั้งหมด728ท่านค่ะมีอะไรไมร่ทราบอยก็ถามอ่าต่อไปไ n i Yes, you can speak English. I can speak English too. Oh. Hello. Okay. Uh, um, I have a question. Uh, what makes something meditation? What makes what? What makes something meditation? Who? You mean who is meditating? Or, what could count as meditation? Like, uh -huh. does it have to be sitting down, or can it yeah. be other activities? No. The main meditation practice is to sit down and concentrate your mind to stop thinking. When your mind stops thinking, your mind becomes peaceful and happy. So that's the goal of meditation: to make yourself happy without, without having to take any drugs, drink any alcohol, go to any parties. You can be happy by being alone, much happier. So this is what the goal is to. To find happiness within yourself, we have great happiness waiting for us within us, but we don't know. Our delusion told us to go look for things outside of ourselves, and we can never get happiness from these things permanently. We can get happiness from them briefly, but then one day they will disappear, gone, and they will leave you empty, sad. But with the happiness that you can create within yourself, you can always have it forever. Thank you. All right. Sat. What about your sister? Is she younger or older? Sister. Ah. Huh? If, if you lay down and meditate, you go to sleep. So you have to sit down so that you can be alert, be awake. Okay. คำถามสักผู้รับฟังทางบ้านค่ะนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันครั้งละประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถึงสองครั้งต่อวันตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายหายไปแต่ยังรู้สึกถึงลมหายใจ จะต้องทําสมาธิต่อไปจนกว่าจะไม่รู้สึกถึงลมหายใจหรือว่าต้องพยายามรู้สึกถึงร่างกายคะออจนกว่าเราจะมีความสุขมีความสงบความสงบนี้มีสองรูปแบบร่างกายหายไปเลยก็มีเหลือแต่จิตล้วนๆอยู่ตามนําพังเหมือนลอยอยู่ในอาวากาศอ ย, อยู่กับความว่างหรือร่างกายยังอยู่เรายังได้ยินเสียงยังรับความรู้สึก ทางร่างกายเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้แต่ใจเราไม่วุ่นวายกับมันใจเราสงบใจเราวางเฉยได้ก็มีสงบแบบสองแบบด้วยกันสงบแบบลึกแบบสงบแบบไม่ไม่ลึกแต่มีอุเบกขาเหมือนกันคือใจวางเฉยใจไม่มีอารมณ์กับอะไรได้ยินเสียงก็เฉยเฉยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยเฉยไม่ลาคาญ ต้องพิจารณาร่างกายในขณะนั่งสมาธิหรือไม่คะไม่เวลานั่งสมาธิไม่คิดการพิจารณาเป็นการใช้ความคิดถ้าใช้ความคิดแล้วใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบนั่งสมาธินี้เพื่อหยุดคิดก่อนเพื่อทำใจให้นิ่งให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราจะได้มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสเวลาเรามีความทุกข์เราถึงใช้ความคิดค้นหาสาเหตุ ข, ของความทุกข์ เราก็จะพบว่าเกิดจากกิเลสความอยากของเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะวิคเคราะห์ดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การภายใต้อำนาจของเราที่จะไปเปลี่ยนเขาได้เราก็ปล่อยวางเสียปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาถ้าเรามีสมาธิเราก็ปล่อยได้ ถ้าเราไม่มีสมาธิใจเราจะไม่ยอมปล่อยใจเรา ย, ยังอยากจะเปลี่ยนเขาอยู่เขาจะไปก็ไม่อยากให้เขาไปอย่างี้เขาจะอยู่ก็ไม่อยากให้เขาอยู่อยากให้เขาไปมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาได้สามารถรู้ได้อย่างไรว่าจะเริ่มวิปัสสนาได้แล้วจำเป็นต้องทำสมาธิไปก่อนระยะหนึ่งหรือไม่หรืสามารถเริ่มได้เลยควรจะทำสมาธิให้มากมาก่อนให้เรามีความชนานาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ แบบทุกๆุกครั้งที่เราต้องการนั่งสมาธิห้านาทีปุ๊บจิตก็รวมเป็นสมาธิได้เราค่อยมาฝึกคิดทางวิปัสสนาหรือปัญญาแล้วต้องฝึกตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องฝึกตอนที่เราออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้เริ่มหงยายเขาก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งเขาก็าจะต้องจากเราไป เราก็จะหายกังวลหายวิตกหายทุกข์ได้อันนี้ต้องทำหลังจากที่เรามีสมาธิชำนาญในสมาธิแล้วเพราะถ้าไม่ชำนาญในการเข้าสมาธิเวลาลาคิดทางปัญญาบางทีจิตจะฟุ้งซ่านได้จะวุ่นวายเราจะไม่สามารถหยุดมันได้ถ้าไม่มีสมาธิค่ะอีกคำถามนึงท่านตอบไปแล้วนะคะเขาถามว่าคาแนะนำสาหรับการเริ่มวิปัสสนาค่ะ คำถามจากทาง facebook ค่ะแท้ยมไม่ชอบการเป็นหัวหน้างานเพราะว่าหัวหน้างานในหน่วยงานทําให้เป็นนี่ต้องทําเรื่องยืมเงินจากหน่วยงานเบื้องบนเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูต่างชาติเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการต่างๆทําให้มีนี้โดยไม่ทําให้ไม่มีความสุขต้องใช้ธรรมะข้อใดดีครับก็ทำมักน้อยสันโดษ ขอลดตำแหน่งลงขอลดเงินเดือนลงตำลองเขาดีใจทันทีเขาจะชอบให้เราอยู่ไปกับเขาเป้นนานมีคนอยากจะถามคำถามนนเดี๋ยว<า><อ>ก่นอนเดี๋ยวเอ า, เอาไมโครโฟนพูดใกล้ๆปากหน่อยอย่างถ้าเราแค่เราลึกถึงบทสวดมนต์อิติปิโส อ, อย่างเงี้ยให้มันต่อเนื่องโดยไม่มีความคิดแวบเข้ามาถือเป็นสมาธิไหมคะหรือ<ม>ต้องมีสติเนี่ยเป็น มีสติสัมปชัญญะมีสติที่ต่อเนื่องแล้วจิตก็จะเย็นจะสงบลงแต่ยังไม่เป็นสมาธิเต็มที่เริ่มเป็นแล้วอตอนนั้นเราถ้าเรารู้สึกว่าเย็นความคิดไม่มีเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจแทนแล้วมันจะเข้าไปเร็ ก, กว่านั้นเขาจะสงบมากไปกว่านั้นก็คือต้องไม่ให้มีเสียงในหัวไม่ไ ม, ไม่ต้องไม่ให้คิดไม่ให้คิดคหยุดคิดแล้วก็มัน ม, ม, มาดูลมหายใจแทน เราถ้าจะคิดกคิดคเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสั้นๆต้องคิดที่จิตไหมคะไม่คิดที่คาอยู่ที่คิดเนะี่ยอยู่ที่คําคิดถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับคำอยู่อยู่ที่พุโทโธไป <Okay. S 2> ถ้าดูรวมก็ดูรวมที่ปลายจมูกไป <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้า ส, สมาธิแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงมันจะนิ่งจะสงบมันจะสบายมันจะไม่อยากออกจากสมาธิมันจะมีความสุขมากถูกค่ะ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะบุญที่เราทําโดยการทําคลิปเผยแพร่ธรรมะาของพระพุทธเจ้าสามารถนํามาอุทิศบุญให้ทหารผู้เสียชีวิตได้หรือไม่คะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อุทิศบุญด้วยวิธีอื่นนอกจากการทําบุญทําทานนั่นเองนั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทําบุญทําทานไปหรือถ้าทานยังมีชีวิตอยู่ก็ส่งของข้าวของที่เขาใช้ได้กินได้ไปให้กับเขาเลยจะเป็นประโยชน์กว่า เพราะที่เราต้องส่งบุญไปให้คนตายเพราะคนตายรับข้าวของไม่ได้เราก็ต้องเราก็เลยต้องเปลี่ยนข้าวของมาให้เป็นบุญก่อนเอาเปลี่ยนเป็นบุญแล้วเราก็ส่งไปเหมือนกับเราไม่สามารถส่งเงินบาทไปให้คนที่ญี่ปุ่นใช้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ส่งเงินญี่ปุ่นไปให้คนญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในเมืองไทยด้วยกันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเงินให้เสียเวลาเอาเงินไทยนี้ส่งไปได้เลยถ้าอยู่ในประเทศ เหมือนกันเราอยากให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้บุญได้ความสุขเราก็ส่งข้าวของเงินทองที่เขาอยากได้ไปให้เขาไปแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเราส่งข้าวของให้เขาไม่ได้เราก็ต้องส่งบุญแทนไปคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ หากเราทำบุญทำทานไว้มากๆหลายอย่างแต่เราจำไม่ได้ถึงบุญที่ทำถ้าเราตายไปแล้วบุญนั้นยังติดตามเราไปด้วยแม้ว่าเราจำไม่ได้ก็ตามเข้าใจถูกไหมคะใช่เหมือนบัญชีในธนาคาร เ, เงินเบิกเงินเงินฝากนี่มันจะจดจำไว้ในระบบใจเราก็เหมือนกันใจเราก็เป็นเหมือนระบบมันจดจำได้ทุกอย่างทั้งบุญทั้งบาปที่เราทำไว้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะมีความเครียดเรื่องงานอาจเป็นเรื่องของการรับตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหัวหน้าแผนกงานซึ่งไม่ชอบการเป็นหัวหน้าคนทําให้อารมณ์ไม่โปร่งโลง่งต้องใช้ธรรมะแก้ไขยอย่างไรครับคือถามแล้วไม่ใช่เลยคนนี้ค่ะบอกให้ลาออกใช่ไหสมัครใหม่ขอลดตำแหน่งคําถามจากทาง คค่ะำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะทำบุญเวลาหนึ่งบาททุกวันไม่เคยขาดจะได้บุญแค่ไหนคะเทหนึ่งบาทถ้าหลบกไปเรื่อยๆทาบุญร้อยบาทน้อยวันก็ได้ร้อยบา ท, บาทยอดมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคำถามจากทาง Facebook ค่ะ การทำกรรมฐานที่ฝึกให้เราเห็นร่างกายตอนตอนเองถูกเผาหรือสลายไปในเชิงอสุภานั้นจะสามารถช่วยเพิ่มการหักห้ามความกลัวเจ็บที่อาจเกิดขึ้นก่อนตายได้บ้างไหมเจ้าคะสิ่งที่หนูสังเกตคือก่อนตายคนเรามักจะผ่านความเจ็บปวดมากๆขึ้นอยู่กับขั้นการเจ็บเช่นอุบัติเหตุหนักเบาหรือการเจ็บป่วยต่างๆเจ้าคะก็ลองทำดูสิ เวลานั่งสมาธิไปแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปขยับร่างกายเพ่งเผามันไปให้เป็นเหมือนไฟเผาร่างกายลราไปแล้วดูผลว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ถามไปก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องทำถึงจะรู้คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ตอนนี้เริ่มปฏิบัติเพิ่มเติมงดอาหารหลังมื้อเที่ยงไม่ทานมื้อเย็นซึ่งปกติจะเป็นมื้อที่กินเยอะแล้วเมื่อคืนนี้ไปปฏิบัติเนสัชิกฟังธรรมสลับกับภาวนาทั้งคืนที่วัดธรรมยุทธ์แถวบ้านมาค่ะ ตอนแรกคิดว่าจะต้องหิวมากเพราะไม่กินมื้อเย็นและไม่ได้นอนด้วยวันนี้โยมจะกินเยอะๆไปเลยเพราะจะงดมื้อเย็นแต่ปรากฏว่ากลับกินอาหารไม่ได้เยอะอย่างที่คาดคิดไว้รู้สึกอิ่มไม่ได้หิวโหยจะตายแบบที่คิดไว้แถมไม่รู้สึกอยากจะนั่งสมาธิฟังธรรมต่อเนื่องอีกอยากสอบถามว่าการปฏิบัติเนสัตชิกแม่เราอาจจะไม่ได้สงบลึกถึงอุเบกขาธรรมแต่มันมีความปิติใช่ไหมคะ มันถึงรู้สึกอิ่มๆแบบนี้ค่ะใช่มันก็มีความสงบในระดับหนึ่งของมันตา ม, ตามการปฏิบัติของเราเวลาปฏิบัติมากๆใจจะอิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วความหิวทางร่างกายจะน้อยลงน้อยลงไปต่อไปก็อดอาหารได้บางคนอดทีละสามวันห้าวันได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ เวลาฟังธรรมะควรวางใจอย่างไรครับเช่นเดินทางบนรถไฟฟ้าสามสิบนาทีฟังแล้วคิดตามหรือฟังแล้วเพ่งจนสงบตามธรรมะนั้นครับได้ทั้งสองอย่างถ้าเพ่งก็ได้สมาธิถ้าคิดตามก็ได้ปัญญาคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ย่อมเคยอ่านเจอว่าการทําบุญโดยใช้สังฆทานเวียนที่วัดมีมาให้เราจะไม่ได้บุญเราจะไม่ได้บุญจริงให้ซื้อใหม่ให้ซื้อใหม่จะได้บุญจริงไม่ทราบเป็นจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอมันก็เป็นบุญเหมือนกันของใหม่ของเก่ามันเราไม่ได้เป็นคนใช้มันเราเพียงแต่ใช้ของที่เขาจัดมาให้ แต่เราอยากจะไปซื้อของใหม่ก็ได้ไม่ห้า ม, มนะบางคนไม่มีเวลามาถึงวัดอยากจะทําบุญขึ้นมาอนตอนต้นก็ไม่ได้คิดจะทําบุญพออยู่ดีๆก็นึกอยากจะทําบุญขึ้นมาก็เลยต้องอาศัยของ ท, ทางวัดจัดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนก็เหมือนกันเราเราเสียสละเท่ากันเสียสะละร้อยบาทเหมือนกันจะซื้อของเก่าหรือซื้อของใหม่มามันก็ร้อยบาทเหมือนกันคําถามสักทาง facebook ค่ะ ทำอย่างไรให้คนที่ไม่สนใจปฏิบัติมาปฏิบัติทำคะอย่าไปสนใจเลยสนใจตัวเราก่อนนะให้เราสนใจปฏิบัติทำก่อนแล้ว เ, เดี๋ยวเขาเห็นเราปฏิบัติเขาอาจจะตามมาต่อไปก็ได้คําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติคะ่ะ นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วเมื่อจิตสงบรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ตามคอเป็นเพราะอะไรคะไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นเพราะอะไรให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันให่ก็คืออย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวอาการเหล่านั้นมันก็จะหายไปเหมดดือนกใช่ไหมยังไม่มีคำถามใหม่มีใอยากจะถามอีกไหมตอนนี้มีเวลาพอสมควร ถ้าอยากจะถามก็เชิญถามได้มาไกลาถึงเมกาเนี่ยมาถึงนี่แล้ว อ, อยากจะถามอะไรไหมอยู่ในสูมุขบางทีต้องรอเกือบชั่วโมงกว่าจะได้ถามไม่มีเหรอเห็นแล้ววลาไม่มีค่ะแต่พออยู่ห่างๆก็คุถามมากอ่าไม่เป็นไรเงี้ยก็รอเก็บไว้คราวหนะ้าถ้าอย่างงั้นไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา